และมรณะภิกษุทั้งหลายส่วนความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งจักขุนี้เป็นความดับแห่งทุกเป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะความดับแห่งโสตะความดับแห่งคานะความดับแห่งชิวหาความดับ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 313รเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งรูปนี้เป็นความเกิดแห่งทุกข์ความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชาราและมรณะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งศัท ธ, ธะแห่งคันธะแห่งรสะ แห่งโพธทัพะความเกิดขึ้น 2, ความตั unken, ต้องอยู่แห่งสัทธแห่งคันธะแห่งรสะแห่งโพธทัพะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งธรรมารมณ์นี拜拜้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะภิกษุ์ทั้งหลายส่วนความดับ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 เป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะรูปสูตรที่สองจบ 3. วิญญาณสูตรว่าด้วยวิญญาณ314เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งจักขรวิญญาณเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งมโนวิญญาณเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะภิกษุทั้งหลายส่วนความดับแห่งจักขรวิญญาณเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะความดับแห่งมโนวิญญาณ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 เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งมโนสัมผัสเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะภิกษุท์ทั้งหลายส่วนความดับแห่งจักขุสัมผัสเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะความดับแห่งมโนสัมผัสเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะสัมผัสสูตรที่สี่จบ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 เป็นความสงบระ ง, งับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะสัมผัสชาสูตรที่ห้าจบ 6. สัญญาสูตรว่าด้วยสัญญา317เเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งรูปสัญญาเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งธรรมสัญญานี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกเป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะภิสุททั้งหลายส่วนความดับแห่งรูปสัญญา เป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชาราและมอรณะความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งธรรมสัญญานี้เป็นความดับแห่งทุกเป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชาราและมอรณะสัญญาสูตรที่หกจบเจ็ด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 เป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะสัญญาเจตนาสูตรที่7จ็จบแปตัณหาสูตรว่าด้วยตัณหา319เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุ์ทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ แห่งรูปตันหาเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งธรรมตันหานี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกเป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะภิกษุทั้งหลายส่วนความดับแห่งรูปตันหา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 ความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งวิญญาณธาตุนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกเป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะพิกษุทั้งหลายส่วนความดับแห่งปฐวีธาตุเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะความดับแห่งอาโปธาตุความดับแห่งเตโชธาตุ ความดับแห่งวายโยธาตความดับแห่งอากาศธาตุความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งวิญญาณธาตุนี้เป็นความดับแห่งทุกขเป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะถ้าตุสูตรที่เก้าจบสิบ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 9. กาทาตุสูตร 10. คันทัสูตร